การภาวนาท่านถือเป็นสําคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาทานพุทธการจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตได้จากการศึกษาเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเรียนมาเป็นที่เข้าใจแล้วก็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 ถ้าหาผู้จะเป็นสาวกอรหันอรหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจา้าเรียนอย่างไรขณะที่ท่านบวชท่านสั่งสอนตอจัปปัญจกะรรมาฐานเช่นจะว่าเอหิปิคูประสัมพทาท่านจะเป็นพิกษุมาเถิดทาเรากล่าวดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนําเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนาเนินนั่นแหลเป็นการให้โอวาดผู้ที่ สับุญับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระอประธานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปในตัวด้วยการเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นเช่นท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบว่าเกสาคืออะไรโลมานขาทันตาตะโจแต่แตและอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธเจก้กผัสสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการสามสิบสองทุกแง่ทุกมุมโดยลาดับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปลสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรและธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบเพื่อจะแก้สมมติที่เป็นเครื่องผูกพันติตใจเรามานานทางสมมติเราว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริง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 ที่สืบเนื่องมาจากการเรียนรูาจากพระพุทธเจ้ากลายเป็นปฏิเวทไปโดยลํำดับลำดับอย่างนี้หลายครั้งพุทธการท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็มีที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทอนเป็นพระวินัยทอนเป็นธรรมะกระถึกนี่ก็มี นักเทศแต่ธรรมกัตถ์ของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกรัตถ์ทั่วทัไปพระธรรมกัถ์กก็เช่นอย่างพระปุณณะ ม, น, มนตานีบุตรท่านเป็นธรรมกัตถ์เอกส่วนมากท่านยกเอาสันเลขาคาถาเป็นเครื่องแสดงสันเลขคถาคือ กล่าวถึงลมงคำขัดเกลาขี้เล็ทั้งนั้นนับแต่อปิติตาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยงมุติยาทัศนะน่ทานมักษสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอกในทางธรรมกัึกะเรียกว่าเป็นธรรมกถึกเอกพระปุณรมันตานีบุตรท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากจิตใจของท่านที่รู้แล้วจริง ไม่สอนแบบรูปๆคำๆตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระปณิบุญพระปุณมันตนีบุตรนั้นท่านเป็นพระหรหันด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวสัสันเลกขธรรม ทั้งสิประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านจงหลักความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมกัตถุที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นความถูกต้อง่างามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกัตกที่มีปิเลตมันผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทั้งุฎิกาลก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเช่นบางองค์ก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจํานวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเหมือนเรียวกว่าปริยตัติจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตําหนิด้วยทรงเห็นอุปนิสัยของท่านเช่นพระโพธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทําไว้ได้มากมายกายกองเป็นพระผู้สูตรแต่ไม่ใช่พระผู้สูตรดังพระ อ, อ น, นุ์ เป็นผู้เรียนมากมีลูกศิษย์บริวารตั้งห0าร้อยทั้งๆที่เป็นอุปนิสัยมีอุปนิสัยอยู่แต่ก็ลืมตัวของตัวเมื่อเข้าไปฝ้าวพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเป็นเชิงตำหนิเพราะพระพุทธเจ้าทรงตำหนิใครก็ตามทรงสนเสริญใครก็ตามต้องมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์อยู่ภายในความติชมนั้นๆเมื่อท่านทรงตาหนิพระโตธิราช พระบธิรัตจึงมีความสฉลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั้นแหละบธิรัตก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่ า, ป, ลาปุ่นยังไงบอกหัวล้นเปล่ า, ลาก็ว่าไปเลยออย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเทศอย่างนั้นนีเรียนเปล่าหัวล้นเปล่ากินเปล่านอนเปล่าท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโบทิรัตอันเดียวเท่านั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกยง่งเรื่องของพระ โบธิราชมาพูดให้เป็นประโยชน์สําหรับพระสําหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งถือเอาประโยชน์อยู่แล้วโดยเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านทรงเรียกพระโบธิราชก็มีโพธิราชเข้ามาโบธิรเธอจงไปอะไรกับโบธิราชโบธิราชแล้วบาลานเปล่าบาลานเปล่าเลี่ยนเปล่ า, าแก้กิเยสตัวเดียวก็ไม่ได้เลื่อนเปล่ า, าที่เลสมากพอกูขึ้นโดยลําดับอะไรท่าน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 ชมเยแสดงว่าเรานี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการนึกษารเราเรียนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทร ง, งต้องทรงชมเชยในแงน่ใดแง่หนึ่งแน่นอนท่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติพอกล้าเข้าไปสู่สำนักรรมหาเทระดังที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาพระอรหันต์ท่านฉลาด แล้คมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบการถวายตัวต่อท่านท่านก็นหาอุบายทำตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ท่านก็นเป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นพระาจารย์ มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถน า, านแต่ว่างนั้นตั้งแต่ท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านตรง น, นั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนำสงสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองนั้นองคนั้นก็หาวายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองคนั้นให้ไปหาองนั้นองคไหนพูดแบบเดียวกันไปนหมดจนกระทั่งถึงสามเณรองค์สุดท้า ย, ยก็ไปพูดแบบเดียวกัน คือขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เนนก็พระพูดทํานองเดียวกันท่นี้พระมหาเถระท่านเห็นทำมาจารย์หรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเนนเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองค์นี้เข้าสู่เนนก็เราก็คาดไม่ได้เหมือนกันนะภาพยากมาลองทดลองดูดูที่เนนว่าจะจะมีอุบายสังส่งสอนท่านได้ไหมตกลงก็เลย ท่านก็มอบกายสบายตัวต่อเมนนั้น ท, ทันทีแล้วเนนนั้นก็สอนทีเราคอยฟังที่เรามันน่าฟังที่เนนสอนพระมหาเทระนี่หาอุบายสอนวิธีต่างต่างเช่นแทบให้พระมหาเทระไปเอานั้นมาให้เหมืบ้างไปเอานี้มาให้บ้างและให้ครองกีวอเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วก็ให้พระมหาเทระคองผ้าไปถ้าจะเปียก ที่วนจริงก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่าเอาใบนั่นความจริงเป็นการทดลองทางนั้นพระหมหาเทระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกัตกเอกนั่นอะ่ะไม่มีขัดสมกับคำที่ว่ามอบกายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามนั่นโรกๆน่นก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาถึงน้มจริงจริงท่านก็ให้ถอยม า, อาแล้วไม่เอามันลำบากน้าเกาะผ้ามันอะไรหาบายหลายแย่หลายมุมจนกระทั่งทราบชัดว่าพ ร, พระองค์นี้ไม่มีทิ่ติมานะเป็นพุ้มุ่งหน้าต่อธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้นนะสอนเวลาท่านจะสอนก็หาอุบายสอนว่มามีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่เจ็ดหกรู เหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปวกนี้ชอบออกเที่ยวหากินตามช่องต่างๆเพราะงั้นเพื่อจะจะจับตัวเที้ยนี้ได้ให้ท่านจงปิดในห้าช่องนั้นเสียแล้วเอาไว้เพียงช่องเดียวแล้วนั่งเฝ้าจ้องอยู่นั้นเฮี้ยไม่มีทางออกจะออกมาช่องเดียวแล้วก็จับตัวได้เป็นค้อเปรียบเทียบ ในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมปลวกนี่ท่านแย้งนะท่านอุปมาอุปไมคเข้ามามันมีทวานหกคือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งให้ท่านปิดไปเสียในทวานทั้งห้านั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายปิดทําเหมือนไม่รู้ไม่คิดไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลยให้เหลือแต่ความรู้ล้นรู้รรวน ให้พิจารณาดูที่นี้อารมณ์มันจะเกิดขึ้นจากจิตอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันจะปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งเป็นช่องเดียวเท่านั้นที่เรามีสติจ้องมองอยู่ดูอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่ประมาทแล้วเราจะจับเฮียได้คือความคิดความปรุงของจิตจิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่วอดีตอนาคตปรุงไปรักไปชังเกลียดโกรธกับอะไรก็จะทราบได้ทุกระยะระยะเพราะความมีสติ กากับรักษาอยู่กับความรู้อันนี้พระเถระองค์นั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเนรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลํำดับลำดับเนร์เห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี่ไปเนนเป็นอาจารย์พระมาเถระนี้เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงสั่งสอนและก่อนที่จะประธานโอวาทก็ถามเป็นยังไงเนนลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนานหังเดเนร์ก็กราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมรณะทุกสิ่งทุกประยาทุกอย่างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมรณะอันใดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ได้เรียนมากและเป็นมหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิจยาอาการที่เพิ่งแสดงเึิ่งความตั้ใจเป็นที่ เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความต้นใจที่อยากรู้อยากเห็นในความปีนทั้งหลายอยู่ตลอดม า, าพระพุทธเจ้าความทรงสอนปัญญาเวชยเตภูริทีนี่ปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทําปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถยึดแทงทะลุอะไรอได้หมดเพราะความแน่นหนา ม, มั่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนนิปัจนาในขณะนั้น แยกธาตุแยกขันธ์ไอตนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั้นอันนั่นเป็นนั่นอันนั่นเป็นนั่นให้พระมหาเทระนั่นเข้าใจโดยลําดับๆโดยทางิปัธนาออกจากนั้นก็นมาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการของกิจส่วนมากกิจไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบตัวของตัวยิ่ไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนมั่งว่า เวทนาเป็นตนบั่งสัญญาเป็นตนบั่งสังขารเป็นตนมั่งวิญญาณเป็นตนบั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรอะไรก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งิงหนึ่งของมันด้วยอํานาจของแห่งกิเลสความรุ่งหลงนี้ไปเข้าใจาว่าเป็นตนเป็นตัวจึงไปเสียเวลามเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลามาลาเพราะความหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้วยังได้รับความบอบช้าทางด้านจิตใจอีกด้วย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 เป็นอยู่ด้วยกรรมบัมัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความประยุกูลโสโคกเหมือนกับป่าชาติผีดิบเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาหารถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของสกรปรกโสมมเป็นกองให้จังทุกขงังตาเป็นป่าชาติผีดิบบ้างเลยนั่นพระเจ้ารงสั่งสอนเพราะฉะนั้นจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุด้นเข้ามาก็คือสกุลกาย เต็มไปด้วยปูโพโลหิกน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยึดว่าเป็นเอาเป็นเราด้วยความสนิทใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามตามหลักความกินของมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกดับทําลายลงไปมันไปเป็นนั่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนเมธนาก็พิจารณาแยกแยะให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทัางทางกายและทางใจ เป็นแต่สักว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้น ừ. ทุกปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายนั้นให้มันนั่นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาลุมตนเองเพราะความนุ่มหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเขาในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราะทุกก็เป็นเราเป็นไฟทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรอรก็เป็นเราอะไ ร, ะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจึงเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความนุ่มหลงนั่นสอน สัญญากัคือความจําจําแล้วหายไปจําแล้วหายไปต้องการก็จําขึ้นมาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจําตนของเขาทั้งทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งทั้งขานทั้งวิญญาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิจารณาสิ่งหนึ่งให้เข้าใจโดยเจ่มแจ้งชัดเจนหรือประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอาการทั้งหา้านี้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่เมื่อสรุปความแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจิ ง, งเขาแต่และอย่างอย่างเรียกว่าเป็นอาการของขัน ส่วนนส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากกิจส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหาแต่เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้าก็ใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช้สิ่งนี้ด้วยความรุ่หนงตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นของเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานานบางทีนักปรักท่านสอนเราดับเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคำว่าเรากับคำว่าของเราเหมือนกับเราเมียนาศาสนาใน สิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความจริงเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราในรับความทุกข์ความลาบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งเหล่านี้ก็คือเราแบกหามโงเหล่านี้โดยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแย่เพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจงแยกสิ่งเหล่า น, นี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมาชาติของตนต่างอณต่างอันต่างกิงไม่กระทบกระเทือนกัน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 เราพูดตามหลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวนาตาเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นไตรลักษณ์ได้ฟาดฟันหันแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี่เป็นเราจิตนี้เป็นของเราไม่เพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเพียงเรายังกําหนดให้พี่ให้เห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กําหนดลงไปพี่นะ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 ทั้งๆ ท, ที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่คิบหายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเฮียได้แล้วอืเฮียใหญ่คือตัวนี้เองมีท่านท่านพูดไว้ในตำราท่านไว้จับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกข์คาโปชิลัสก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธานพระอุบาทจบลงในขณะนั้น ถ้ เ, เข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเฮี้ยใหญ่นี่ให้ทําลายตัวเฮี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญาท่านมาปัญญาเวชัยเตภูริท่านมาทำปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายพิจารณาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนั่นะนี่ก็ให้ย่างเข้าไปถึงจุดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มด้วยวิชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให้ แต่กระจายเอาไปแล้วจิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคำว่าเฮีย้ยก็เรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหานี่การพิจารณาธรรมท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในขั้งพุทธการก็มีมาอย่างนั่นเหมือนกัน แต่ท่านมีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจมีการประพฤติปฏิบัติเลยความจําอาจจําทําได้นั้นมันก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าข า, แ, แ, ขาแต่เวลาเอาแก้วมาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ไม่ทราบเลยว่าคืออะไรนี่นี้คำว่าทานั่นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการประพฤติปฏิบัติ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 ทำเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาเสมอมาถ้าผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยความปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเขตสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้รู้เห็นได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักมาก8ดคือ สมารถิติเป็นต้นมีสมารถมรถัธิติเป็นสุดที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมสำคัญหรือเป็นธรรมซ้มำหม่ำเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางสิ้นสุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทากับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยูน่นั่นโดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ดำเนินตามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้น เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเข็ดสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยโฉนใจกับธรรมะเราจะไปรู้เรื่องว่ามรรคผลนิพพานว่าสิ้นเข็ดสิ้นสมัยได้อย่างไรก็อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่าเต่าตุต่อของตนเองนอกจากนั้นก็ทำให้คนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าพูดต้องการจะโง่อยู่แล้วโง่ได้จริงๆ เพราะคำทำคำคำนี้เป็นคำพูดที่โง่ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเถ้อพุทธทางสนางอระฉามิแล้วจะไม่สนใจกับคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เหมาะสมและ ถ, ถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระโอวาทคือาศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นย้ำแล้ว ดูนานำไปพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนผลที่พึงพอใจโดยลำดับเราจะเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ครองเป็นเจ้าของสมบัติที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นโดยทั่วถึงกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้ตั้งแต่รุ่น